หนึ่งเหตุทุกกะสองเวทนาตุกกะหนึ่งสุขายะเวทนายะสัมยุญตตบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจใจหกสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตเุซึ่งสัมยุญด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมยุญด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมยุญด้วยสุขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจหกสิบแปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเจติตเหตุปัจจัยมีฆ่าวาระอารมณะปัจจัยมีฆ่าวาระอธิปติปัจจัยมีฆ่าวาระอานันตระปัจจัยมีฆ่าวาระสมณันตระปัจจัยมีฆ่าวาระสหชาติปัจจัยมีฆ่าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีฆ่าวาระนิจญาปัจจัยมีฆ่าวาระอุปนิจญาปัจจัยมีฆ่าวาระ ปุเรชาตปัจจัยเมฆาวาระมาเศวณปัจจัยเมฆาวาระธรรมปัจจัยเมฆาวาระวิปากปัจจัยเมฆาวาระมหาราปัจจัยเมฆาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยเมฆาวาระอนุโลมจบนเหตุ ป, ปัจจัยและนอธิปติปัจจัย71สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุติโดยสุขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนเหตุกปัจจัยเจ็ดสิบสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะน่าอธิปติปัจจัยย่อ เจดสิบสณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระนปุเรชาติปัจจัยมีเก้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระณเอาศวณัปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระนฌานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปิจุตปัจจัยมีเก้าวาระ ปัจจนิยะจบณอธิปติปัจจัยกับเผตุปัจจัยมี๙วาระย่ออนุโลมปัจญิยะจบอารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี๑วาระย่ อ, อปัจญจจจจจจจิยานุโลมจบพึงขยายสหาชาตะวาระปัจยวาระนิสยะวาร ะ, ะ, าระสังสัถธวาระและจำปยุตตาวาร ะ, ะ, ะ, าระให้พิสดารเหมือนกลับปฏิจจาวาระ๑ สุขายะเวทนายะสัมยุญตะบด7ปัญหาวาระปัจจะยะจตุขไนเหตุปัจจใจ74สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมยุญด้วยสุขเวทนาเป็นปัจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมยุญด้วยสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยเป็นต้น75สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมยุญด้วยสุขเวทนา เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาโดยระมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาโดยระมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนา โดยอรรถมณปัจจ yes ั um. ยมีสามวาระเจ็ดสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธิสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธิสุขเวทนาโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารถมณาทิปติและสหชาตาทิปติมี ส, ส, สามวาระสภาวธรรมที่มีเป็นเหตุซ <Jungle> ึ่งสัมปยุทธิสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธิสุขเวทนา โดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติมีสามวาระปูปานิเยปัจจัยเป็นต้น๗๗ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปัญยุติสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปัญยุตยสุขเวทนาโดยอุปาณิสยปัจจัยจมีสามอย่างคืออารามณูปาณิสยอนันตารูปาณิสยรรายและปกรตูปนิสยมีเก้าวาระย่อเจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปัญยุติสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที <kaik S 1> ่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปัญยุติสุขเวทนา โดยกรมมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธิสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธิสุขเวทนาโดยกรรมปัจจัสส ย, ยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธิสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธิสุขเวทนาโดยกรรมปัจจัยและถึงเป็นปัจจัยโดยวิปากะปัจจัยเจ็ด สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาโดยอวิคตะปัจจัยแปสิเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมี9้าวาระ อาทิตติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมาันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตปัจจัยมีเกวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเกวาระเนสียปัจจัยมีเกวาระอุปเนสียปัจจัยมีเกวาระมาเสวนปัจจัยมีเวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิตติกะปัจจัยมีเกวาระมหาระปัจจัยมีสามวาระ อินทรีย์ปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมำยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนัตติปัจจัยมีเก้าวาระวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระปัจจ尼ยุทธะแปดสอสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมำยุตด้วยสุขเวทนา เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุทธิสุขเวทนาโดยอารามณปัจจัยสหาชาต า, าปัจจัยและอุปาณิเสตปัจจัยย่อ8ปดสองณเหตุปัจจัยมีเ้าวาระณอารามณปัจจัยมี9้าวาร ะ, าร ะ, จจาระละถึงโนโอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระปัจจนิยะจบณอารามณ์ปัจจัยขเผหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระยอ่อ อนุโลมปัจจนิยะจบอารามณปัจใจกับนั่นเหตุปัจจัยนียข้าวาระย่อปัจญจิยานุโลมจบพึงนับเหมือนอนุโลมปัจญจิยะอนุโลมปัจญจิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสเตะกะที่นับไว้แล้วสองทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตบทหนึ่งปฏิจจวาระปั จ, จยะจะตุกไน เหตุปัจ <mister> จ <isation> <eleri> ัยแปสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยทุกขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา เกิดขึ Yo, ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อแปดสเหตุปัจจัยมีกลาวาระอารมณปัจจัยมีกาวาระอธิปติปัจจัยมีกาววาระอนันตระปัจจัยมีกลาววาระสามันตระปัจจัยมีกาววาระสหชาตะปัจจัยมีกาวาระอัญญามัญญปัจจัยมีกาววาระนิสยาปัจจัยมีกาววาระอุปาณิสยาปัจจัยมีกาวาระ โพเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระมอเตวนาปัจจัยมีเก้าวาระรามะปัจจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีเก้าวาระมคาปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปิธปัจจัยมีเก้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระ นติปัจจัยมียก้าววาระวิคตะปัจจัยมียก้าววาระอวิคตะปัจจัยมียก้าววาระอนุโลมจบนเหตุุปปัจจัยและนอธิปฏิปัจใจแปดสิบห้าสภาวธรรมที่มีเป็นเหตุซึ่งสัมบยุติด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมบยุติด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนาเหตุุปปัจใจแปดสิบหก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 ณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจญิยะจบณอธิปติปัจจัยเขเผะตุปปัจจัยมีเก้าวาระย่ออนุโลมปัจญิยะจบอารมณปัจจัยขมนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อปัจญิยานุโลมจบพึงขยายสหชาตะวาระปัจยาวาระนิจยาวาระสังสถัวาระ และสัมยุญตวาระให้พิจารณเหมือนกับปฏิจจวาระสองทุคหายาเวทนายาสัมบุญตบทเจปัญหาวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจใจแปดสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมยุญด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมยุญด้วยทุกขเวทนาโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยเหตุตุปัจจัยอารมณ์ปัจจัยเป็นต้น 8.9 สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เ hmm ป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา โดยอรหันต์ปัจจัยมีสามวาระย่อ90สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปย yes ุทธ um. ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยกรรมปัจจัยมีสมวาระย่อ9 1้เอหตุปัจจัยมีสมวาระอรหันต์ปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมี9้าวาระ สมนันตร์ปัจจัยมีเ้าวาระสหชาตปัจจัยมีเ้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเ้าวาระเนสียปัจจัยมีเ้าวาระอุปเนสียปัจจัยมีเ้าวาระอาศัวะนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระ มคคะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีเ้าวาระอัติปัจจัยมีเ้าวาระนัตติปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบปัจจนียุทธาระเสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา โดยอารามณปัจจัยสชาตาปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยย่อ9๓ณเหตุปัจจัยมี๙วาระณอารามณปัจจัยมี๙วาระณอธิปติปัจจัยมี๙วาระย่อปัจจ尼ยะจบณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี๓วาระย่ออนุโลมปัจจ尼ยะจบ อารามณะปั จ, จัยกับนเหตุปั จ, จยเมีก้าววาระย่อปัจญจิยานุโลมจบพึงนับเหมือนอนุโลมปัจญจิยะอนุโลมปัจญจิยะและปั จ, จนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสละเตระที่นับไว้แล้วสอทุคลมสุขายะเวทนายะสั ม, มยุตตบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุกนยัยเหตุปัจจัย 94. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่ง left, apanese, สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขโมกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขโมกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขโมกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขโมกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมทีเป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยมีสมวาระย่อ95เหตุตุปัจจัยมี9้าวาระอารมาณปัจจัยมี9้าวาระอาทิปติปัจจัยมี9้าวาระอนันตระปัจจัยมี9้าวาระสมนันตระปัจจัยมี9้าวาระ สหชาติปัจจัยมีฆ่าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีฆ่าวาระนิสยปัจจัยมีฆ่าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีฆ่าวาระปุเรชาติปัจจัยมีฆ่าวาระอาเสวนปัจจัยมีฆ่าวาระกรรมปัจจัยมีฆ่าวาระวิปากะปัจจัยมีฆ่าวาระอาหาราปัจจัยมีฆ่าวาระอินทิยาปัจจัยมีฆ่าวาระชานะปัจจัยมีฆ่าวาระ เมฆาปัจจัยมีฆ่าวาระสำปรยุติปัจจัยมีฆ่าวาระวิปยุติปัจจัยมีฆ่าวาระอัติปัจจัยมีฆ่าวาระนัตติปัจจัยมีฆ่าวาระวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระอวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระอนุโลมจบนเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย๙๖สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสำปรยุติด้วยทุกขมสสขเวทนา อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจจัยมีสองวาระเกสจสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุทธ์ด้วยทุกขโมุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยย่อเกสิบนเหตุตุปปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยมี9้าวาระ นาบุเรชาตปัจจัยม so, ีเก้าวาระนาปัชชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนอาศิวะนปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิบากปัจจัยมีเก้าวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมฆาปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตปัจจัยมีเก้าวาระย่อปันญยะจบนอธิปติปัจจัยกระเพรตุปัจจัยมีเก้าวาระ ย อ, อนุโลมปัจจ尼ยะจบอารมณะปัจใจขับน่เหตุตกปัจจัยมีสองวาระย่อปัจจ尼ยานุโลมจบพึงขยายสหาชาตวาระปัจยะวาระนิจยะวาระสังสัตถาวาระและจัมปยุตตวาระให้พิจารณเหมือนกับปฏิจจวาระ 3. อาทุคมสุขายะเวทนายะสัมปยุตตบท 7. ปัญหาวาระ ปัจจะยะตุภณายเหตุปัจจัยเป็นต้นเก้าสิบเก้าสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธเด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธเด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยเหตุตปัจใจมีสามวาระหนึ่งร้อยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธเด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอรมณ์ปัจจัยมี9้าวาระร้อยหสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและชาตาธิปติมีสวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนา เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมกขเวทนาโดยทิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและจชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมุขเวทนาโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติจจ มีสามวาระมีเฉพาะอารมานาที่ปฏิอุปนิสัยปัจจัยเป็นต้นร้อยสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขโ v e h i c เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมกขโ v e h i c โดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณู ป, ปะนิสัยอันันตรูปะนิสัยและปะกระตูปะนิสัยมีเก้าวาระ เป็นปัจจัยโดยอาเศรษวะปัจจัยมีเก้าวาระร้อสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอาทุคคมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอาทุคคมสุขเวทนาโดยรมะปัจจัยมีสามวาระร้อสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอาทุคคมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งสัมประโยชน์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยวิปากปัจใจมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอวิสตาปัจใจมีเก้าวาระรอ้อหเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจใจมีเก้าวาระอธิปติปัจใจมีเก้าวาระอานันตระปัจใจมีเก้าวาระสมนันตระปัจใจมีเก้าวาระสหชาติปัจใจมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจใจมีเก้าวาระ นิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวณะปจจัยมีเก้าวาระกรรมปจจัยมีสามวาระวิปากะปจจัยมีเก้าวาระอาหาระปจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปจจัยมีสามวาระมัคคะปจจัยมีเก้าวาระสำปรยุตตะปจัยมีเก้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระ นัตติปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบปัจจนียุทธาระร้หสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งจำปัยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งจำปัยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอารมณปัจจัยสาหชาตปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัย ย่อร้อยเจ็ดนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระน่ะอารามณปัจจัยมีเก้าวาระย่อปัจจินญะจบนอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออนุโลมปัจจินญะจบอารามณะปัจจัยกับน่เหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อปัจจินญานุโลมจบพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจินญะ อนุโลมปัจจนิยะและปัจจิญานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศละติกะที่นับไว้แล้วเฮตุทุกกะและเวทนาติกะจบหนึ่งเฮตุทุกกะสามวิปากะติกะ หนึ่งวิปากะบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจใจร้อยแปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบาก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่อร้อยเก mm ้า เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตรปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระเนสียปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสียปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระ วิปากะปัจจัยมีฆ่าวาระอาหาระปัจจัยมีฆ่าวาระอินทรียะปัจจัยมีฆ่าวาระชานะปัจจัยมีฆ่าวาระมรรคปัจจัยมีฆ่าวาระสมปยุตตปัจจัยมีฆ่าวาระวิปยุตตปัจจัยมีฆ่าวาระอัิปัจจัยมีฆ่าวาระนัตติปัจจัยมีฆ่าวาระวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระอวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระอนุโลมจบ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 นาอธิปติปัจจใจมีเก้าวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนาปชาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนาอาเจวนปัจจใจมีเก้าวาระนาชานาปัจจัยมีหนึ่งวาระนามะข้าป <the> ah, ัจจ <izon ala>. ัยมีหนึ่งวาระนาวิบุตตปัจจัยมีเก้าวาระย่อปัจนิยะจบนาอธิปติปัจจใจขเภตุปัจจใจมีเก้าวาระย่ออนุโลมปัจญิยะจบ พรมณะปัจจัยกนั่นเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อปัจญจิยานุโลมจบพึงขยายสหชาตะวาระปัจยะวาระนิสยวาระสังสัถาวาระและสัมปยุตตวาระให้พิดารเหมือนขปฏิจจวาระหนึ่งวิปากบทเจปัญหาวาระปัจยะจตุนันเหตุปัจจัยเป็นต้นร้อยสิบสาม สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระร้อสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยอรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิปากโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระมีได้เฉพาะตถาลำมพนร้อยสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิปากโดยธิฏิปัจจัยมีสามวาระมีได้เฉพาะสหชาตาธิปิไม่มีอารมนาธิฏิ อุปาณิสยปัจจัยเป็นต้น1้อสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปปาณิสยาและปะกะตูปปาณิสยาสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปปาณิสยาและปะกะตูปนาณิสยา สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิปากโดยอุปาเนสยาปัจจัยมีสองอย่างคือนันตะรูปานิสยะและปะกะตูปานิสยาสภาวธรรมที่ไม like <soci> <ain> ่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิปากโดยอุปาเนสยาปัจจัยมีสองอย่างคือนันตะรูปานิสยาและปะกระตูปานิสยา สวาระนอกนี้เป็นอนั น, ต, นรระะตรูปานิสยะและปกรตูปานิสยายสิบเสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยกรมะมปัจจัยมีสามวาระมีเฉพาะสหชาตกรรมะย่อสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยวิปา ก, กะปัใจจัยใน9้าวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยอาหารปัจป จ, จัยย่อร้อสปเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอนันตร์ปัจจัยมี9้าวาระสมนันตร์ปัจจัยมี9้าวาระสหชาตะปัจจัยมี้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมี้าวาระ นิสยาปจจัยมีเ e ้าวาระอุปนณิสยาปจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเ้าวาระชานะปจจัยมีสามวาระมัคคะปจจัยมีเ้าวาระสมปรยุตตะปจัยมีเ้าวาระอัติปัจจัยมีเ้าวาระนัตติปัจจัยมีเ้าวาระ วิคตาปัจจัยมีเก้าวาระอะวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบปัจจนียุทธาระร้อยสิบเกสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยอรมณปัจใจสะชาตะปัจจัยและอุปาณิสยปัจใจย่ยอร้อยยี่สิบนเหตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระ นอารามณปัจจัยมีเก้าวาระย่อปัจญิยะจบนอารามณปัจจัยขเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออนุโลมปัจญิยจบอารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อปัจญญานุโลมจบพึงนับเหมือนอนุโลมปัจญิยอนุโลมปัจญิยะและปัจญยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะ ที่นับไว้แล้วสองวิปากะธรรมบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจะตกนัยเหตุหตปัจใจรอยยี่สิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบาก เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุที่เกิดวิบากและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุที่เกิดวิบาก อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุที่เกิดวิบากและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อร้อยี่สิบสองเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงกรรมปัจจัยมีเก้าวาระอาหาราปัจจัยมีเก้าวาระอินทรยียปัจจัยมีเก้าวาระ ชานะปัจจัยเมียกลาววาระมรรคปัจจัยเมียกลาวาระสัมำยุตตปัจจัยเมียกลาววาระวิบุตตาปัจจัยเมียกลาววาระอัติปัจจัยเมียกลาววาระนัตติปัจจัยเมียกลาววาระวิคตปัจจัยเมียกลาววาระอวิคตปัจจัยเมียกลาววาระนเหตุปัจจัยและนอธิปฏิปัจจัยร้อยี่สสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิปาก อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะหน้าเหตุปัจใจรอยยี่สิบสี่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะหน้อธิปฏิปัจจัยมีกลาวาระหน้ปุเรชาตะปัจจัยเป็นต้นร้อยี่สห้าสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบาก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 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนักรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุที่เกิดวิบากและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนักรรมปัจจัยย่อร้อยยี่สิบเจ็ดณเหตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระ เนือธิปติปัจใจมีเก้าวาระเนืปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระเนืปัจชาชาตะปัจใจมีเก้าวาระเนือาเสวณปัจจัยมีเก้าวาระนืกรมมะปัจจัยมีสามวาระเนืวิปากปัจจัยมีเก้าวาระเนื้อวิปตะปัจใจมีเก้าวาระย่อปัจญิยะจบเนือธิปฏิปัจจัยกับเพรตปัจใจมีเก้าวาระย่อ อนุโลมปัจจ尼ยะจบอารมณ์ปัจใจขบหน้าเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อปัจจ尼ยานุโลมจบพึ่งขยายชาชาตวาระปัจจยะวาระนิยะะสยาวาระสังสัถวาระและสัมยุตตาวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระ 2. วิปากธรรมบทเจปัญหาวาระปัจยะจตุกนัย เหตุป <nut advisory> ัจจัยเป็นต้นร้อยยี่สิบแปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระร้อยยี่สิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอรมณปัจจัยมีเก้าวาระร้อยสามสิบ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุที่เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุที่เกิดวิบากโดยที่ปฏิปจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติมีกลาวาระร้อยสามสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุที่เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุที่เกิดวิบากโดยอนันตรัปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปัณิสยอเนนตารูปัณิสยและปะกระตูปัณิสยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวณปัจจัยมี9้าวาระร้อสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยขันสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยกรรมปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอาหารปัจจัยยอ่อร้อยสสสาเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามะณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสะหะชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระ นิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอเศวณะปจจัยมีเ้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระอาหารัปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมัคคะปจจัยมีเก้าวาระสัมำยุตตะปจจัยมีเ้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระนติปัจจัยมีเก้าวาระ วิคตปัจใจเมฆ้าวาระอวิคตปัจใจเมฆ้าวาระยอ่ออนุโลมจบปัจจณียุทธาระร้อยสาสิบสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยรมณะปัจใจสะหชาตปัจจัยและอุปาณิเสยปัจใจย่ยอร้อยสามสิบห้า นัเหตุถูกปัจจัยมีเก้าวาระนัอารรมณะปัจจัยมีเก้าวาระย่อปัจจนิยะจบนัอารรมณะปัจจัยกับเหตุถปัจจัยมีสามวาระย่ออนุโลมปัจจนิยะจบอารรมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อปัจจนิยานุโลมจบพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจนิยะและปัจจนิยานุโลม แห่งปัญหาวาระในกุศละตะกะที่นับไว้แล้วสเนววิปากะนวิปากะธรรมบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจยยะจตุกนาอเหตุปัจใจร้อยสามสิบหกสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปาก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 บรชาตปัจจัยมีเก้าวาระอาเตวนปัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระจานาปัจจัยมีเก้าวาระมัคคะปัจจัยมีเก้าวาระสัมยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิบยุตตปัจจัยมีเ้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระ นัตถิปัจจัยมีกลาวาระวิคตาปัจจัยมีกลาววาระอวิคตาปัจจัยมีกลาววาระนนเหตุตปัจจัยเป็นต้นร้อยสามสิบปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนเหตุตปัจใจร้อยสามสิบเก้า สภาวธรรมที loops, i i i, hai, ่ไม่เป็นเหตุซ ch ึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเกิดขึ้นเพราะนะอารรมณปัจจัยสี่สสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปาก เกิดขึ้นเพราะเนธอธิปฏิปัจจัยมี9้าวาระร้อสี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเนธกรรมปัจจัยมีสามวาระร้อสี่สองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปาก อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปากเกิดขึ้นเพราะนะอาหารปัจจัยย่อรอสสบนะเหตุถกปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอารมณะปัจจัยมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนะอนันตระปัจจัยมีสามวาระนะสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนะอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระ ณอุปาเสียปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระณปัชชะชาตะปัจจัยมีเก้าวาระณอาศัยวันปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากตปัจจัยมีเก้าวาระณอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมฆะตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นืสัมยุญตระปัดใจมีสามวาระนืวิปุญตปัจจัยมีเก้าวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อปัจจ尼ยะจบเนือารามณะปัจใจกับเพตุกปัจจัยมีสามวาระย่ออนุโลมปัจจ尼ยะจบอารามณะปัจจัยกับนัเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อปัจจ尼านุโลมจบ พึงขยายชาชะตวาระปัจยะวาระนิสยวาระสังสถธาวาระและสัมยุญตวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระสามเนวะวิปากะหน่าวิปากธรมมบทเจ็ดปัญหาวาระปัจยยะจตุ ก, กนัยเหตุปัจใจเป็นต้นร้อยสีสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปาก เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให่เกิดวิปากโดยเหตุุปปัจจัยมีสามวาระ 145. สสห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปากโดยธิฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือชาตาธิฏฐิมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปากโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออริมนาทิปติและสหชาตาทิปติมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยเป็นต้นร้อยสี่สิหสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปาก เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณพุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตมีสามวาระ้อสสิเจสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปัจฉาชาตะปัจจัย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 เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระร้อยสี่สิบปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเป็นปัจจัยขึ้สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากโดยธรรมปัจจัยมีสามวาระย่อร้อยสี่สบเก้าเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระ อนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสมณันตระปัจจัยมีเ้าวาระชาชาตาปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิชียปัจจัยมีเ้าวาระอุปาเนสียปัจจัยมีเ้าวาระบุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัชชาชาตปัจจัยมีสามวาระมาเสวนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระ อินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีเ้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระวิบยุตตปัจจัยมีห้าวาระมัติปัจจัยมีเ้าวาระนัตติปัจจัยมีเ้าวาระวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระปเจนียุทธาระร้อยห้าสิสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุเรื่เกิดวิบากเป็นปัจจัยของสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อร้อยห้าสิเอ็ดณเหตุปัจจัยมีเ้าวาระณอารมณปัจจัยมีเ้าวาระณอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ ารามณ์นัปปัจใจกับนัเหตุปัจจัยมีฆ่าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจญจิยะอนุโลมปัจญจิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุชลติกะที่นับไว้แล้วเหตุทุกกะและวิปากติกะจบ